ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่สิบเก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24ทธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าหลอกเด็กไปจับงูวันนี้เป็นวันที่24ทธันวาคม พุทธศักราช 2,554 พวกเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาในจุดนี้ผมก็ที่เป็นหัวหน้าหรือวเป็นเจ้าของสถานที่จะเป็นเจ้าของวัดผมก็มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะได้แนวทางหรือว่าได้รับธรรมะหรือว่าเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ ไม่มากก็น้อยแต่ส่วนที่ไม่พึงพอใจก็ต้องมีอีกเหมือนกันผมไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วจะพึงพอใจหมดทุกอย่างบางทีเข้ามาเห็นนลเออสิ่งนีมตม์น่าทาไม่น่าพูดไม่น่าจะมีก็อาจจะมีอยู่ในจิตใจอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงผมก็เคยเตือนทุกรุ่น ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่วัดวาศาสนาหรือมาอยู่วัดของผมก็สิ่งให้ถือเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับตนเองหรือว่าสำนักงานหรือว่าเกี่ยวข้องสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์เราก็เอาในสิ่งนั้นนาเอาไปใช้นาไปประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งไหน ที่มันไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีเราก็ทิ้งซะเอพอมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็ไม่ว่าอยู่ในที่ไหนไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่าอยู่ในชํานักงานไหนไม่ไม่ว่าอยู่ใ น, น, น, น, ในชุมชนกลุ่มไหนมันต้องมอีมีทั้งมีดี มีทั้งมีเลวแต่ว่าสิ่งที่ดี เ, เราก็เอานำไปใช้ถ้าสิ่งที่มันไม่ดีเราก็นำเป็นบทเรียนว่าสิ่งนี้ที่ได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดเีเราก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึงเราจะไม่ทำเราจะไม่นำเอาไปใช้เพราะมัน ด, ดูแล้วเสียหาย สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นไปอยู่นักสถานที่ใดไม่ใช่ตาพระบวชใหม่นะทั้งพระบวชเก่าทุกองค์ก็เหมือนกันที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วมาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไปนักสถานที่ใดให้สังเกตตาดูหูฟังใจคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผล พอโลกใบนี้มันมีทุกอย่างมีทั้งดีมีทั้งเลวมีทั้งสีดำสีขาวสีเทามันมีแต่ให้เราเลือกว่าเราจะเอาอันไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราต้องเลือกผู้ที่เลวก็มีนิสัยดีก็มีนิสัยไม่ดีก็มีเห็นแก่ตัวก็มีไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ ไม่ไว่ายุคไหนๆในประวัติศาสตร์มันมีในพระไตรปิฎกก็มีในชาดกก็มีมันมีทุกทุกแห่งทุกคนคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ได้ไม่ได้เหตุคิดเห็นชีวิตของคนอื่นฮะอย่างที่ลุงพ่อเคยได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในชาดก พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตวันก่อนในยุคสมัยนั้นก็คงจะปั่นป่วนกันพอสมควรเกี่ยวกับพระสงฆ์พระเทวทัตจะหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้เ ร, เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดจนพระสงฆ์บางองค์ที่ยังมีกิเลสก็คงจะปั่นป่วนกันพอสมควร แต่องค์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลก็ไม่กระเทือนไม่สะท้านไม่หวั่นไหวเพราะว่าท่านถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปสะทสะเทือนสะท้านหวันน่นไหวกิเลสยังไงเพราะกิเลสก็รู้อยู่แล้วท่านก็คงจะไม่หวั่นไหวไกวแว่งแต่ผู้ที่มียังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็เรื่องราวเกิดขึ้นมากระเทือนกระเทือ น, อนบงการเพราะว่าพระเทวทัตก็ไม่ใช่ย่อยย่อยเมื่อไหร่ ก็เป็นเชื้อพวงอีกเหมือนกันเนี่ยที่จะหักล้างหักพงที่จะทำร้ายทำลายพระพุทธเจ้าก็เป็นที่รู้กันถึงจะเป็นรู้เปิดเผยก็เป็นรู้กันเป็นการภายในกันอยู่ทีนี้ก็พระเทวทัตทําเรื่องราวอย่างงุ่นอย่างนี้ขึ้นมาพระสงฆ์ก็เออถึงจะทํายังไงพระพุทธเจ้าก็จะไม่หวั่นไหวไม่ไม่หวั่นไหวยัง นิ่งยังอยู่ในความสงบนิ่งอยู่ไม่ละไม่ละคายเคืองเลยไม่ละคายผิวเลยลักษณะอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยทิ ป, ปโสตะคือหูทิพย์ท่านก็เดินลงมาพระสงฆ์สนทนากาันพูดกันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเรื่องที่พระเทวทัตที่จะทําร้ายพระพุทธองค์แต่พระองค์ไม่สะทกไม่สะท้าน เฉยนิ่งเฉยพระพุทธองค์บอกว่ามันไม่ใช่แต่ในชาตินี้นะในชาติที่ก่อนก่อนก็เหมือนกันเทวทัตจะเบียดบินลังแกเราเนี่ยนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอาฝุ่นชัดทวนลมฝุ่นนะั่นมันจะต้องมาหาตัวเองพรามันชัดทวนลมเราไม่มไม่ละคายเครื่องเลย พระสงฆ์ก็กราบทูลถามว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นลูกพรามมณ์มหาเป็นลูกพรามที่มีตระกูลอยู่ในเมืองวันนั้นเราเป็นเด็กไปเป็นเด็กเป็นกลุ่มออกไปนั่งไปเที่ยวเล่นสนุกสนานอยู่นอกนอกหมู่บ้านนอกหมู่บ้านของตนเอง นอกชุมชนของตัวเองเด็กหลายหลายคนแต่มีาพามหมองูคนหนึ่งมีาพามหมองูเดินมาเห็นว่าเราหาจะให้งูกัดคนทุกวี่ทุกวันจะจะกัดได้ยังไงฮะเดินมาไม่มีคนไม่งูไม่ถูกไม่โดนงูกัดตัวเองก็ไม่รู้จะหาได้เงินได้ยังไง เ็ะเป็นหมองูนะ เ, เพื่อนรักษาเดินไปตามหมู่บ้านคามนิคม เ, เพื่อจะได้รักษาที่วังใครงูกัดนะตัวเองจะได้รักษาเพื่อจะได้หาเงินหาทุนเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองไม่ใช่งูก็จะกัดคนทุกวันฮนะทนั้นก็เดินไปพรามคนนี่พาไปกัเจตนาไม่ดีนะไปเห็นเอ งูตัวนึงมันดูดูดูดดกิ่งง่าคบไม้อยู่ข้างบนอยู่ในคบไม้ทีนี้ก็มองม อ, องไม่รู้เป็นงูอะไรบอกเอ๊ทางว่าให้เด็กหมูนี้ขึ้นไปจับงูตัวนั้นถ้างงูกัดมาเราก็จะได้รักษาเขาก็จะมีค่าจยุกค่ายาเกิดเกิดขึ้นพอมันงูกัดเด็ก จะนี้นก็พราหมณ์ก็ถามเด็กที่เล่นสนุกสนานกันอยู่ที่เป็นหัวหน้ามันก็ดูดูคนที่เป็นหัวหน้าเด็กที่เป็นหัวหน้ามันก็มีแววแห่งความฉลาดในกลุ่มของเราเฮ้ยเด็กถ้าหากว่าเราบอกว่ามีนกสาลิกาอยู่บนต้นไม้เนี่ยพวกใครจะขึ้นไปขึ้นไปเอาละ่ะขึ้นไปจับเอาไหมใครใครต้องการบ้าง ใครจะขึ้นไปเอาบ้างถ้ามันมีนกสลายกาอยู่บนจริงไม้เด็กที่เป็นหัวหน้าครับผมครับผมขึ้นไปเอาพามก็ชีนไปนั่นเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นง่าโคบไม้นะ่ะขึ้นไปเอาซิทีนี้นกับเด็กมันกับปีนป่ายขึ้นไปพอปีนป่ายขึ้นไปทีนี้นก็ไปจับ คองูเห่าพอดีเออมันงูก็คงจะชกไม่ทันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคว้าได้จับคอพอดีเลยพอจับค อ, อมันงูเลยมันไม่ใช่นกเนี่ยเหมือนนจับเวียงลงมาเลยเหมือนนเออเเวียงลงมามันบาปกรรมอะไรก็ไม่รู้นะงูท่านั้นเวียงมาพันคออิตาแก่พามพอดีเ่างอนกันนะ่ะพันพองูพันคอหมองูพอดี งูแ้่มัน ก, กัดเลยวงั้นหงกัดคอหมองูเลยเอพอกาังูงูพเพชนี่งูสลัเพชนี่อาจจะเป็นงูจงอางหรืองูเห่าก็ไม่รู้นงหมองูก็ล้มหงายตึงเลยเอายาตัวเองฝนไม่ทันใช้ไม่ทันเลยตายเลยคนทั้งหลายก็แตกคือกันเข้ามาทั้งหมู่บ้านก็มาก็มาถามไทยว่าเป็นยังไง เด็กคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยคนทำกรรมไม่ดีอยากจะให้คนอื่นอันตรายถึงตายตัวเองมารับกรรมแทนคนไหนก็ตามถ้าว่าทำคิดไม่ดีต่อคนอื่นกรรมนั้นจะตามสนองเหมือนกับเวียงค้อนใส่ก้อนหินก้อนค้อนก็ต้องกระเด็นมาหาตัวเอง เหมือนกับสั์ฝุ่นทวนลมฝุ่นนั้นจะต้องมาหาตนเองเพราะนั้นใครก็ตามนี่นี่แหละคนคนนี้บอกให้บอกให้ข้าพเจ้าขึ้นไปขึ้นไปว่าเป็นนกสาลิกาที่ไหนเป็นงูเหา่าข้าพเจ้าก็จับแล้วก็เวี่ยงออกมากักดเขาตายพอดีนะไทยทำกรรมอันไหนไม่ดีไว้ใครคิดจะ ให้คนอื่นเดือดรอด้อนใครคิดจะให้คนอื่นตายกรรมนั้นจะต้องตามสนองมาหาตนเองพระโพธิสัตว์เด็กคนนั้นพูดในชุมชนที่คนมาดูปวดข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนขึ้นไปเอาจับงูตอนนี้เวียงลงมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันถูกใครแต่ข้าพเจ้าก็ตกใจเพราะจับมันกูเวียงเลยเพราะเป็นงูไม่ใช่เป็นนกอะ แต่งูตัวนี้กับบางเอิญมันมาพันกับถูกเขาพอดีเพราะเขาเจตนามไม่ดีอยากจะให้คนอื่นถูกงูกัดผลที่สุดก็งูกัดตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่านี่แหละชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะต้องมาถึงตนเองเพราะทํากรรมไม่ดีเจตนามไม่ดี เพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทำถ้าทำไปแล้วกรรมตอนนั้นไม่ไปหาไม่ไม่ไปไหนมันจะต้องมาหาตนเองนะเพระพทธองค์ท่านบอกว่าพรามคนนั้นนะคือเทวทัตเด็กหนุ่มเด็กในเป็นลูกพรามนะคือเรานะคงจะมีชาติเดียวตอนนั้นบ้างที่พระพุทธเจ้าเอาชน ะ, ะเทวทัตได้ จับงูมาให้งูกัดคอเท ว, วทัตชาติอื่นๆไม่แต่เท ว, วทัตลังแกเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนาที่ได้พูดมานี่ก็คือกรรมอ่ากรรมคือการกระทำเราไปอยู่นักสถานที่ใดอย่าไปคิด จะเอารัดเอาเปียบหรือว่าจะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะว่าการเบียดเบียนคนอื่นเขาถึงเขาจะไม่รู้แต่ตัวเองจะต้องได้รับกรรมกรรมคือการกระทำพระพุทธองค์เนี่ยว่ากรรมชั่วกรรมที่ไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีอย่าคิดอย่าทำเลยดีที่สุดถ้าทำไปแล้วมันจะวกมาหาตัวเอง ต่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือหลักของพุทธศาสนายึดหลักกรรมคือการกระทำพวกเราได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาแล้วเกือบจะว่าทั้งนั้นที่เน้นหนักเรื่องการกระทำอย่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าทำ อย่าพูดในสิ่งที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยหาเรื่องราวใส่คนอื่นเขาให้พูดทำสิ่งที่เป็นธรรมเมื่อเราทำเป็นธรรมแล้วกรรมที่เรากระทำไปนั้นจะย้อนมาหาตัวเองจะได้รับแต่ความสุขความสบายใจความเย็นใจจะไม่ได้รับความทุกข์แต่ถ้าเราทำสิ่งที่ตรงข้ามนั่นแหละกรรมตัวนั้น จะย้อนกลับมาหาตนเองถ้าเราได้ศึกษาในหลักประธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วจะเป็นลักษณะเกือบจะวัดท้งนั้นเลยในการเป็นอยู่เรื่องศีลธรรมเรื่อง ก, กรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญ ห, หลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือว่าตายไม่สูญอีกต่างหากตายแล้วเกิดอีก สิ่งที่ให้เกิดกนะ็คือวิญญาณคือใจคือนามธรรมตัวที่รู้รู้อย่างนั้นตัวนั้นแหละสําคัญหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นคอให้พวกเราทุกทุกท่านนะจะไปเป็นครวญญาติโยมจะไปทําหน้าที่การงานไหนไหนพวกเราเป็นชาวพุทธต้องสำเหนือต้องสํานึกไปอยู่เสมออย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดีถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามเรารู้ว่าสิ่งที่มันไม่ดี เราไปทำให้แก่เขานั่นแหละกรรมตอนนั้นจะย้อนกลับมาหาตนเองไม่วันใดก็ตันวันหนึ่งตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าว่าเราทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเงี้ยคิดพูดทาในสิ่งที่ดีแล้วความดีกรรมดีที่เราก็ทำนั้นไปอยู่นสสานที่ใดเราสบายอกสบายใจถ้าว่าเราได้รับ สิ่งที่มันไม่ดีแต่เราทำดีแล้วแต่เราไม่รับสิ่งที่มันไม่ดีก็เป็นอันว่าเราต้องคิดไปถึงอดีตในชาติก่อนหรือว่าในครั้งก่อนๆเราคงจะทำให้กับเขาไว้แต่เราลืมแต่บัด น, นี้แต่กรรมมันมแต่กรรม น, นมันไม่ลืมมันบันทึกไว้อยู่แต่บัด น, นี้เรามาก็ได้รับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ได้รับกรรมที่เรามองไม่เห็นแต่ท่านผู้รู้ท่านมีญาณทัศนะดังพระอรหันเนี่ยท่านมีฌ า, านมีญาณทัศนะท่านจะรู้ได้ว่ากรรมตัวนี้เราทำเมื่อไรมันจึงมาให้ผลอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือพระอรหันที่ท่านรู้อดีตอนาคตท่านก็จะบอกให้เราได้ทราบว่าการกระทำของเราเนี่ยที่เราได้รับ คราวนี้ครั้งนี้เหตุที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้เพราะเราทำกรรมไว้ในอดีตไม่ดีไงสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านจะพูดให้พวกเราได้ได้ยินจะรุปล้วทั้งว่าอย่าทำในสิ่งอย่าโพดในสิ่งที่มันอย่าคิดอีกต่างหากในสิ่งที่มันไม่ดี แต่ว่าจะห้ามไม่ให้ความคิดนี่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะห้ามด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วแต่เนี่ยห้ามความคิดของตนเองเอันดับแรกก็ต้องศึกษาศึกษากรรมคือการกระทำให้เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งซะก่อนบางทีถึงจะเชื่อแล้วขนาดไหนก็เถอะแต่บางทีมันแนวความคิดของตัวเองเนี่ย มันเบกไม่อยู่เหมือนกันนะมันอารมณ์โมโหโกรธาขึ้นมาเมันพร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างเเพราะว่าเขาทำมาเราก็ต้องหาวิธีการ ท, ทดแทนหรือว่าหาวิธีการแก้หมัดเแก้เผ็ดมันเอาชนะมันนแต่มันทำมาขนาดนี้เราต้องเอาขนาดนั้นพอมันมาด่าเล่านะเราต้องฆ่ามันให้ตาย อย่างนี้เป็นตน้นนะอันนี้หลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกอย่าทำอย่างนั้น เ, เมื่อเขาทําเราจะไปผูกเวณเราจะไปทํำร้ายทําลายเขาพยายามหลีกหนีให้ห่างอันนั้นคือพาละชนะถ้าเราไปทําเข้าไปเราก็พิจารเสีย อ, อ, อีลานพันตูกันไม่เกิดประโยชน์อหนีให้ห่างเอาไว้ คนโบราณเขาบอกว่าหนีช้างหนีม้านี่เนี่ยหนีขึ้นไปต้นไม้สูงสูงก็พ้นได้แต่หนีมนุษย์คนพาล น, นี่เนี่ยหนีให้จุดฟ้าเขาเขียวกันนี้ให้ไกลที่สุดนี่หนีคนพาลพาลละชนอนี่แหละสลรุปแล้วก็คือเราให้หนีใจของเราให้หนีห่างให้ใจของเราหนีห่างแต่เราจะเอาชนะยังไง กับเสียงเหล่านั้นถ้าจะเอาให้เด็ดขาดจริงๆก็ไม่มีทางอื่นกับต้องพยายามนั่งสมาธินะอนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบอย่างหลวงปู่หนูท่านพูดให้หลวงพ่อฟังสมัยหลวงพ่อไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ไอ้มีโยมาสาัยวัด แล้วกับแม่ของอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาัสเป็นแม่ชีแต่ไอเด็กที่ไอโโยมที่มาอาศัยวัดน่ะมันเป็นประสาทอามันเป็นประสาททีนี้นก็มันประสาทมันขึ้นน่ะมันโมโหขึ้นมากระิเอามีดฟันแม่ชีที่เป็นแม่ของอาจารย์แม่อาจารย์ก็ ร้องขอความช่วยเหลือจากคนจากลกูกที่เป็นสมพนันช่วยแม่ด้วยลกูกช่วยแม่ด้วยเล็กฟันฆ่าลักษณะนั้นน่ะแต่นี่อาจารย์เนี่็ถือค้อนบักใหญ่ไปเออคิดว่าจะไปตีมันพอถึงจะตีไปมันก็ดูแล้วคงจะช่วยอะไรไม่ได้ฟันนึขนาดนั้นอ่ะท่านทิ้งค้อนเลยนะท่านทิ้งค้อนตึงเลย ทิงคอนเสร็จแล้วเข้ากับเข้ากติปิดประตูล็อกประตูนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิดูใจของตนเองถึงจะไปช่วยก็เท่านั้นเพราะว่าถึงขนาดนั้นแล้วนะตายแน่แม่ถ้าเราไปตีเอเล็กตีไอนั้นอีกบาปกรรมมันจะสืบเนื่องอีกเ อ, อนี่แหละท่านเบรกตัวเองอย่างกระทันหันเลย หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังจำไม่ลืมหลวงพ่อโอ้โหาหาได้ยากมากที่เขาฟันกันก็ถือว่าเป็นกรรมกรรมของแม่จะช่วยยังไงเพราะเหตุไรเพราะมันฟันถึงขนาดนั้นแล้วถึงไงกัมนมันไม่รอดแหละไปเห็นแล้วมันไม่รอดอแม่ตายแน่เอพอมันฟันขนาดหนักถ้าเราไปไตะนัดอีกให้มันตายอีก ใครเป็นคนลับอีกจะมันก็เลยต่อเนื่องไปอีกเยท่านก็เลยทิ้งคอ้อนเลยไม่ทําอะไรเลยโยนคอ้อนทิ้งแล้วก็ถ้าท่านไปตีก็ไปตีได้เอพอมันไอ้นั้นมันก็คงจะไม่มีอะไรมันโกโมโหไอ้คนนั้นอันนี้มันจะรู้อะไรก็ไปกับคอ้อนมูดเลยเมันก็คงจะสลบสลายไปอีกเหมือนกันแต่ทินทํายังไงได้นยท่านก็มานั่งภาวนาอันนี้คือ ชื่อว่าลุงปู่แต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะอาจารย์ทางจังหวัดเชียงใหม่ฮนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือต้องเปรคถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีไม่เคยฝึกจัจิตใจไว้ก่อนเนี่ยมันคงจะเบรคไม่อยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะนี่ท่านรู้สึกว่าท่านเบรกท่านถือว่ากรรมกรรมของแม่กรรมของไอ้นั้นไอ้ขี้ข่า เราจะไปต่อเติมไปอีกเราก็จะไป เ, เข้าไปอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแล้วจะทำยังไงจากนั้นท่านก็หยุดนั่งภาวนาจนเรื่องราวออกมาเสร็จเรียบร้อยออกมาเห็นแลโอ้จะทำยังไงได้ท่านบอกว่าถ้าเรามาไปฆ่าไปตีมันซะมันก็จะทำยังไงป้ตีแล้วมันก็ไม่คืนไม่ฟื้นแม่ของเราเพราะเห็นตำตาแล้วมันฟันถึงขนาดนั้นแล้ว เราก็มีแต่ทําใจของเราท่านเองนี่แหละสรุปแล้วก็คือบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทําใจเมตตากรุณามุติตาแล้วก็อุปเบกขาอุปเบกขานี่ยก็คือทําที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสุดวิสัยสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือถ้าว่า ยังมีความที่จะช่วยเหลือได้ก็คือเมตตาที่จะช่วยเหลืออะไรให้ได้มุติตากับยินดีในขณะที่เขาทาดีเมตตากรุณากรุณาคือสงสารสงสารที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์มุติตายินดีในเขาตกทุกข์ได้เมื่อเขาได้รับความสุขอุเปกขาวางวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อถึง ถึงข่าวถึงคราวเขาวิบัติถึงข่าวตกทุกข์ระยากไม่ช้ำไม่เติมเขาไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเออถือว่ากรรมของใครกรรมของเราเกิดมาในโลกจะทํำยังไงได้ไอันนี้ก็คืออุเเปกขาแต่ว่าทำอุเเปกขาเนี่ยเป็นทำขั้นสูงนะถ้าคนที่รักเมตตาที่เรารักมากๆเลยจะวางอุเเปกขานะมันมันยากที่เหมือนกันนะ แต่ว่ามันต้องฝึกเอาไว้เหมือนกันถึงจะทําไม่ได้ก็ต้องฝึกเอาไว้เหมือนกันอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดระบนึกคิดถ้าคนมีอุเบกขาในจิตในใจแล้วนั่นแหละเราเกิดมาในโลกดูที่เกิดปานตั้งแต่เกิดมามีอะไรบ้างเราเกิดมายังไง เกิดมาคนเดียวฮะแล้วเรามาถึงขนาดนี้เราเป็นอะไรบ้างเกี่ยวเนื่ออะไรผลในสุดเราตายตายคนเดียวฮะถ้าเรามาประมวลหรือมาประเมินหรือมาออกมาใส่กันดูใส่กันดูทบทวนบวกลบคูณหารใส่กันดูแล้ว น, ะนี่แหละทีนี้เราจะใช้ทำ ที่ว่าอุอปเเบกขาเนี่ยมันก็ใช้ได้นะแต่มันก็ใช้ยากถ้าถ้าถ้าคนไม่มีธรรมในจิตใจจริงๆจะใช้ยากทําผู้มีธรรมในจิตใจจริงๆเคยฝึกเรื่องจิตภาวนามาก่อนทำใจมาก่อนฝึกจน ช, นชนานิชํานาญทั้งสมาธิทั้งวิปัสนาทั้ง ส, สมาธิวิปัชนาสมาธิวิปัชนา อันนี้เราจะเราจะใช้ได้ง่ายแต่ถึงยังไงถ้ามาพูดเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาเป็นพระอรหันแล้วไม่ต้องพูดถึงท้าทัานเป็นพระอรหันแล้วออธรรมดาแต่ยังเป็นปุตุชนเนี่ยเราจะใช้บทนั้นได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องต้องได้คิดไวอย่างที่ที่วาดต้องทดสอบทดลองทดลองทดสอบทดสอบทดลองออทั้ง ทั้งวางทั้งยึดทั้งปล่อยทั้งวางถ้ามีทมอยู่ในใจต้องเป็นการฝึกซ้อมวาอยู่เสมอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้อุปเปกขาได้ง่ายถ้าว่าเราไม่มีทมอยู่จุดนี้นะเราจะถ้าดีใจเราก็จะดีใจมากถ้าเสียใจเราก็จะเสียใจมากถ้าทุ ก, ก็จะทุกมากถ้า ดีใจกับใคว่าสุขก็สุขมากจนลืมลืมตัวแต่ถ้าว่าคนมีธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วหลวงพ่อว่านี่แหละมันจะพอดีเอ่อมันจะพอดีไม่เกินไปและที น, นี้เราจะไม่ให้เกินไปแนละ้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยเออเราจะทำยังไงเราจะยึดกรรมฐานอะไรเราจะปฏิบัติอย่างไร เราจะภาวนาอะไรจะทำให้จิตใจของเราอยู่ในระดับนี้ฮงมันต้องเป็นสมาธิก่อนใจของเราต้องมีสติสัมปชัญญนะเนี่ยสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มี ส, สมาธิอยู่ในตัวเองอ่าเริ่มเริ่มสมาธิน ะ, ะเข้าสมาธิ มันรู้จักเบรกนะสมาธิเนะี่คือเบรกสิ่งที่เบรกใจเ อ, อทําเบรกให้แก่ใจถ้าไม่งั้นเบรกมันแตกนะะเตลิเปิดเปัเปงทําความชั่วเสียหายมันลืมตัวเองอนะ่ะมันเบรกแตกนะแต่นี้นถ้ามันมีเบรกอยู่นะ่ะมันจะรู้จักว่าข้านเป็นใครควรทําอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรในสถานะสถานการณ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะมันจะมีเบรกเพราะอะไร เพราะเรามีสติสัมปชัญญะนี่แหละสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องฝึกจะฝึกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเชื่อในพระธรรมคําสอนของ พ, พุทธเจ้าลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วทำอย่างก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายประนมมือประนมมือไหว้ครูซะก่อน เพราะว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคำสอนของของเราไม่ใช่ทำคำสั่งสอนของใครเป็นทำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำให้ทำอย่างนี้ให้ปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นเวลานั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปันน ม, มือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบในใจจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงก็ฝึกแล้วสิตั้งสติสัมปะชัญญะในปลายจมูกของตัวเองไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปทางอื่นอย่าให้มันหลุดสติสัมปะชัญญะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้ถามันหลุดไปพยายาม จับพมายให้เข้มแข็งขึ้นอีกดูดูให้เข้มแข็งขึ้นอีกให้มีสติสัมปชัญญะยู่ที่ปลายจมกูกให้ชัดเจนขึ้นอีกนี่แหละอันนี้แหละคือการฝึกฝึกสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่ามันลอยไปแล้วก็หายไปเงียบไปแล้วก็หายไปก็เงียบไปไม่ใช่เราต้องพยายามให้ดูให้เห็นให้ชัดเจนในเมื่อ เรามีสติอยู่กับตัวเองเอความสงบเราจะรู้ได้แต่ไหนความสงบใจของเราจะที่แรกมันก็ไปมันหลงมันลืมไปเหมือนกับเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงวัวตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งคือใจของเราดวงหนึ่งอพอเราไปเลี้ยงเราก็เผลอหลับไป บางทีเราก็เผลอเผ อ, อไปทําอะไรมันเผลอไปบัวตัวนั้นก็ไปฮหไปหากินกว่า จ, จะรู้ได้โอ้โหมันไปที่ไหนบัวเนะี่ยตามหามันอีกพอตามไปเจอมันอีกเอามาอี ก, กเอามากอามาอยู่ในสายตาของเราอีกให้มันอยู่พออยู่เสร็จแล้วเราเผลอไปอีกมันไปอีกอผลในสุด เราพยายามมีความพยายามอยู่มันทําไมมืวัวที่มันมันมันหลุดไปบ่อยไม่ไปกินข้าวกินอะไรของก็ไม่รู้มันกินหลายอย่างข่าวนี้ไม่ให้มันเผลอว่ะอี่ยจับนั้นมาก็จับมาแล้วก็มาให้มันหากินแล้วก็ตาของเราก็สาเหลืองดูเรื่อยเรื่อยมันจะไปที่ไหนแล้วเอาไปจับมันมาเอผลที่สุดเออจับจนมาอยู่กับปลักเลยทไอให้มันอยู่กับปลักมัดกับหลักไว้ มีสติสัมปชัญญะมันก็อย่ลเออมันจะขยับเราก็รู้เลยมันจะขยับ เ, เพราะสติของเราทันมันอยู่นี่แหละเอาขนาดนั้นแหละไงมันรู้ได้กระทั่งมันมันจะขยับมันจะไปมันก็รู้เลยเพราะเรามีสติในการดูการสังเกตแลว้วกาการจับกิจของเรานะ นี่แหละจากนั้นมันมันก็มันจะไปที่ไหนได้่เอควายตัวนั้นวัวตัววัวตัวนั้นก็นอนหลับแล้วตัวนี้มันมันไปไม่ได้เพราะมันเจ้าของไม่ให้ไปมันก็ไม่มันมรู้จะไปที่ไหนเพราะมันเจ้าของดูมันอยู่อจงพ้สุ่มกันหลับจิตมันก็หลับเแปลว่าจิตสงบแจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วตัวนี้ตอนไม่ไปนั่นแหละ ก็ว่าเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะในหลักของพุทธศาสนาทว่านัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ถ้าว่ามันยังออกไปเพ่นพ่านบุ่นวายอยู่นะมันจะหามีแต่เรื่องราวต่างๆทำให้จิตใจของเราทุกทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอะไรว่าเว้าว่างเงียบเงาซึมเศร้ามันครอบหมดทุกอย่าง เพราะอะไรพรใจของเราไปกินอารมณ์ออกไปเพี้ยนผ่านข้างนอกแต่ท่าใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละนะัทธทิสันติจะเกิดขึ้นกับเรานะในเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งและะ้วท่นี่นำจิตที่รวมสงบนั้นนะ่ะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเห็นได้ชัดทีนี่พิจารณาร่างกายก็เห็นได้ชัดพิจารณาขนพิจารณา ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาหนังหนังทำไมเราจึงหลงหลงหนังใช่ไหหนังหุ้มอยู่ในร่างกายถ้าถลกหนังออกไปแล้วเป็นยังไงสวยงามหมใจถามดูสิถามใจเป็นยังไงใจถ้าถลกหนังออกไปมีแต่เนื้อแดงเถือกขึ้นมาเป็นยังไงใจสวยงา ม, มแล้วเอาเนื้อออกําแหระเนื้อออกไปแล้วยังเหลือกระดูกหรื เป็นยังไงใจจากนั้นก็ชํำแหละผ่าท้องออกไปอีกเผ่าท้องออกไปมีแต่ลำไส้มันยัดแน่นอยู่ในลำในท้องของเรามีตับมีปอดมีหัวใจมีไตมีอะไรครบบริบูรณ์อยู่ในนี้สวยงามไหยใจอันนี้เป็นร่างกายนะใจนะมันไม่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งนะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะให้รู้ให้รู้ทันนะใจนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะใจนะ ในเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเจนเทั้งเมื่อจิตของเราสงบแล้วรวมแล้วนั่นะเอาจิตที่ผ่านความสงบมาพิจารณามันจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกนั้นๆในเมื่อจิตเห็นชัดเจนแล้วก็นั่นหละมันจะว่าของเราได้อย่างไงทีนี้ขนาดร่างกายของตัวเองแท้ๆก็มีอะไรอยู่ในตัวของเรา และส่งสิ่งภา ย, ภายนอกล่ะทีนี้สิ่งภายนอกยศถาบรรดาศัก์จะเป็นใครก็าตามเลยมันเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยที่เราเกิดมาอาศัยกันอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของจีรังถาวรไม่ใช่ของที่มั่นคงถาวรไม่ใช่ของที่จะยึดมั่นถือมั่นแต่ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังเป็นอย่างนี้ลนะ่ะ ได้จะไปยึดอย่างอื่นถ้าเป็นตัวตนของเรามันได้ไหมหัอใจนี่แหละอันนี้คือถ้าจะพูดไปเรียกว่าตลักรู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยให้เข้าใจในใจให้วางให้วางให้รู้จักปล่อยวางในใจอันนี้เป็นธรรมะสำหรับส่วนตัวคือพระหันก็ดีพระอริยบุคคลก็ดีมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ เพ่งผ่านเอาไปประกาศให้คนทั้งหลายรู้สราบตัวเองรู้ในตนเอง<ม> เ, อเว้นเสียแต่ว่าเออบางยุคบางการามีความจำเป็นจะต้องประกาศว่าธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ เ, เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราจะไปพูดสิ่งภายนอกด้วยเอาไปพูดมันก็เท่านั้นล่ะ เพราะเขาไม่เห็นตามความเป็นจริงเขาไม่เห็นอย่างเราเนี่ยก็ทําให้เขาดูถูกเกีดยดหยามเราอีกต่างหากแต่ว่าทาคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้รู้ในตัวเองมองตนเองเห็นตนเองปล่อยวางในตนเองในเมื่อเห็นจั่างนี้แล้วนั่นเราจะไปหลงอะไรจะไนที่มันหลงหลงเพราะอะไรทำไมจึงหลงมันรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในตัวนี้แล้วมันก็จะไม่รู้จะหลงอะไรอีกน มันก็รู้จักปล่อยวางมันก็เอิบอิ่มในจิตในใจอยู่ใสถานที่ใดก็มันก็ไม่หลงมันเอมันไม่รู้จะไปยึดอะไรขณะตัวเองเกิด น, นี่แหละอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยมันธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลมันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจ เบื่อหน่ายที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจใจคือตัวผู้รู้รู้อยู่เดียวเนี้ยรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องต่างๆจากนั้นท่านก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละพระหันหรวบผู้หมดจดจากกิเลสโลภโกรดหลงทั้งหลายท่านรู้อยู่ที่ใจอย่าไปหาที่อื่นถ้าหาที่อื่นไปว่าถ้าพูดธรรมะก็ดีแนะนำสั่งสอนใครก็ตาม ถ้าไม่เข้าถึงใจแล้วแปลว่ายัางไม่ถึงถ้าเขาถึงจุดนี้แล้วเข้าถึงจู่จุดใจแล้วนั่นละ่ะจุดจบหรือว่าสุดยอดหรือว่าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าหรือแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณาถึงเข้ามาถึงจุดนี้ถึงจุดใจใจมันเป็นหลงไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆมันก็เลยสําคัญไปหมดเพราะใจให้ความสําคัญ ถ้าใจของเรารู้แก่ใจขนาดร่างกายตัวเองยังเป็นอยู่อย่างนี้จะไปให้ความสำคัญเรื่องอย่างอื่นอย่างไงได้กระดูกเนื้อหนัง อ, อวัยวะภายในมีอะไรบ้างอยู่ในตัวของเรานั่นแหละสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ า, ามันหลงอะไรหลงกาย ท่านจึงให้พิจารณาพอพระบวชหมายท่านจะให้กรรมฐานห้าเนี่ยเกซาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกซาย้อนไปย้อนมาสองสองเที่ยวนะเกสาคือผมโลมาคือขนนะคาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเอ ม, มีเวลาน้อยเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าหลงนะอย่าหลงตัวเองนะร่างกายของเรามันมีเท่านี้แหละ เกษาผมไม่ใช่มันจะดำตลอดนะต่อไปมันขาวนะขนก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันหลุดล้นได้นะเล็บก็เหมือนกันมันอยู่ในมือถ้าเราแต่งล่งแต่งเล็บมันก็สวยงามแต่ถ้าเราไม่แต่งล่ะมันก็เป็นอสุภะเหมือนกันนะขี่เล็บเต็มไปหมดฟันก็เหมือนกันฟันเหลืองเกลือไปหมดด้วยขีดฟันหาความสะอาด สวยงามได้ที่ไหนถ้าเราตกแต่งก็ว่าฟันสวยนะแต่โจเหมือนกันถ้าเราอาบชำระร่างกายขึ้นมาดูดูแล้วเอามีอะไรมาชโลมมาทากับผุดผาดหลงหนังที่แท้ปล่อยทำทำตามธรรมชาติถ้าเราไม่ล้างไม่อาบน้ำหน่อยสิสักเกจ็ดวันเป็นยังไงเราเห็นไหมผู้ที่เขาเดินข้างถนนผมยาวๆเขาไม่อาบน้ํามันเป็นยังไง ถ้าเราไม่ถ้าทำอย่างนั้นอถ้าเราทำอย่างนั้น่ะมันเหมือนนั้นใช่ไหมเออมันก็ว่าใชาย่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะธรรมนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างไงให้เห็นตามนั้นไม่ให้หลงอย่าหลงในเมื่อเราไม่หลงแล้วนะเราก็รู้นอะความรู้ทั้งหลายมันเกิด มันหลงถ้ามันรู้แล้วมันจะไม่หลงเพราะอะไรมันรู้แล้ว น, ะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเป็นแนวทำคาสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราอนี้ผมได้นำมาบอกกล่าวให้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็ให้สังเกตยอย่างที่ผมได้พูดจริงไหมผมเอาความจริงมาพูดนะผมว่าไม่ผิดนะ ให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณายอย่างที่ผมบอกกล่าวนี่ก็แล้วกัน <c oughs> นี่แหละความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมถึงจะไม่พ้นทุกไม่หมดกิเลส ท, ทีเดียวในใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริง เ, เราจะทำอะไรจะจะมีการยับยั้งในจิตใจไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างใจตัวเองทุกอย่าง เ, เราจะเอาอย่างไงถึงจะเอาตามใจตัวเองเถิดร่างกายยังไม่ใช่ัวตนอยู่แล้วเราจะไปทให้มัน ทำอะไรทำให้เสียหายทำใหม่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันจะรู้แก่ใจของเราถ้าเรามีธรรมะในใจจะทำอะไรออกไปเราก็รู้ว่าสมควรจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะถ้าคนมีธรรมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีตะกี้เลสโลภโกรดหลงแล้วก็หรือเมค่อฆ่าจะไม่ตายค่าจะสมบัติทั้งหลายทั้งปวงในโลกเป็นของค่าทั้งหมด ทางรักทั้งโลภท้งโกรธท้งหลงมารุมมาตุ้มเข้าสู่จิตใจใจของเราจะหาความสุขได้อย่างไรมีแต่เดืองกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหามารุมมาตุ้มในจิตในใจแล้วมันมองหาช่องหาทางไม่ออกแล้วถ้ามีทำอยู่ในใจก็อย่างที่ผมได้พูดให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเป็นจริงแล้วเราจะวาง ตัวมากน้อยอยังไงแค่ไหนจึงจะถูกต้องเหมาะสมเพราะมันเป็นอย่างนี้ฮะเราเกิดมาอย่างนี้เราเป็นมาอย่างนี้เราจะไปแขวนคอตัวเองฆ่าตัวเองตายก็ไม่ใช่เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะปรับปรุงแก้ไขทำยังไงจึงจะถูกต้องใ น, ในการดำเนินชีวิตของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้จนถึงจุดจบของชีวิตเราควรทำตนอย่างไร เราก็จะได้วางแผนถูกนะเพราะว่าเราได้พิจารณาทั้งสองเงื่อนและทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะการพูดละกันแนแนววันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอหยุดติ